สิ่งที่เป็นยอดปรารถนาอย่างหนึ่งนะของผู้คนนั่คือได้พบได้ประสบกับสิ่งที่ถูกใจเจอคนก็อยากเจอคนที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านเจ้านายลูกน้องนะยิ่ง คนรักหรือคู่ครองดูแลนี้ก็ย่อมปรารถนาคนที่ถูกใจมีอะไรนะก็อยากได้สิ่งที่ถูกใจไม่จะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์โทรศัพท์เนี่ยต้องมีสเปคที่ถูกใจนะรวมทั้งได้เจออากาศที่ถูกใจนะ ไม่ร้อนมากไม่หนาวมากไปสถานที่ไหนก็อยากได้พบสถานที่ถูกใจวันนั้นเนี่ยเวลาจะไปเที่ยวก็เลือกเฟ้นสถานที่เลือกแล้วเลือกอีกนะไม่จะเป็นป่า เป็นเขาเป็นรีสอร์ทเป็นทะเลหรือรีสอร์ทก็ต้องเลือกให้ได้ที่ถูกใจแม้ก็ทั้งมาวัดนี่ทั้งที่มาปฏิบัตินะก็ปรารถนากุติที่พักที่ถูกใจนี่เป็นยอดปรารถนาของผู้คนเลยนะ คนหรือสิ่งของที่ถูกใจรวมทั้งไปกินอาหารที่ไหนก็แสวงหารสชาติที่ถูกใจชืวอของผู้คนหมดไปกับการหาสิ่งที่ถูกใจแต่ว่ายิ่งแสวงหาหรือปรารถนาสิ่งถูกใจนะก็ยิ่งพบว่า มีความสุขได้ยากคนที่แสวงหาความถูกใจนี่จะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายนะสุขยากเพราะว่าต้องเหนื่อยนะเหนื่อยกับการสแสวงหาคนที่ถูกใจสแสวงหาสิ่งที่ถูกใจมันไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ว่าอยากได้ปุ๊บ ก, ก็เจอปั๊บนะไม่ใช่ มันต้องเลือกเฟ้นต้องสแสวงหาก็ต้องเหนื่อยในการหานะแม้แต่ร้านอาหารที่รสชาติถูกใจนี่มันก็ต้องสแสวงหามันไม่ใช่ว่าร้านอื่นนี่รสชาติไม่อร่อยนะก็อร่อยนะแต่มันไม่ถูกใจ้คนที่อยู่รอบข้างเป็นเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเราก็ดีนะแต่ว่ายังไม่ถูกใจนะอาจจะเป็นเพราะว่าเคมียังไม่ตรงกันนั้นจะหาคนหรือหาอะไรที่ถูกใจนี่มันมันไม่ใช่ง่ายนะมันต้องต้องเหนื่อยนะต้องดิ้นรนในการสแสวงหาันนี่พอไม่ได้ไม่พบนี่ก็ทุกข์ คันพบแล้วเนี่ยก็อาจจะดีใจเป็นสุขนะแต่ว่าไม่นานนะไอ้ความสุขนั้นก็จืด จ, จางเพราะว่าเกิดเบื่อขึ้นมาพอเบื่อนี่มันก็ไม่ถูกใจแล้วล่ะอาหารนี่ยังรสชาติอร่อยเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันไม่ถูกใจแล้วเพราะเบื่อ และสิ่งหลายอย่างเนี่ยแม้ว่าได้สมปรารถนาแต่ว่าใจของตัวเองมันแปลเปลี่ยนไปของที่เคยชอบน ะ, อะตอนนี้ไม่ชอบซะและ้วเพราะว่ารสนิยมเปลี่ยนแปลงไปเสื้อที่ถูกใจรถที่ถูกใจ แต่พอใจมันเปลี่ยนแปลงไปไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็กลายเป็นว่าไม่ถูกใจไปซะแล้ววันนั้นเนี่ยจึงบอกว่าถ้าคนเราแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกใจเนี่ยนะมันจะกลายเป็นคนที่ทุกข์ง่ายแล้วสุขยาก มันไม่ใช่ทุกเพราะไม่สมหวังนะแม้สมหวังก็ยังทุกนะโดยเหตุผลที่ว่ามาก็คือมันเบื่อเมื่อเวลาผ่านไปหรือรสนิยมแปรเปลี่ยนไปเคยชอบคนแบบนี้นิสัยแบบนี้หน้าตาแบบนี้ได้เจอก็ถูกใจแต่พอเวลาเปลี่ยนแปลงไปรสนิยมนี้ เปลี่ยนไปล้ไอ้ที่เคยชอบนี่กลายไม่ชอบมันไม่เล่าใจหรือไม่ให้ความสุขหรือถูกความถูกใจเหมือนเดิมแม้แต่สมหวังเนี่ยนะมันก็ยังทุกข์นะเพราะว่ากลายเป็นเป็นธาตนะหรือต้องพึ่งพิงสิ่งนั้นคนเราถ้าเอาความสุขไปผูกติดอยู่กับสิ่งภายนอกเนี่ย หรือว่าแม้จะเป็นสิ่งที่ถูกใจเนี่ยมันก็ทําให้ใจไม่เป็นอิสระชเช่นรสชาติแบบนี้ถูกใจอากาศแบบนี้ถูกใจแต่พอไม่ได้เจอรสชาติแบบนั้นไม่ได้เจออากาศแบบนั้นมันก็กลายเป็นทุกข์ไปซะล้ก็ต้องคอยดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ถูกใจ มาสนองมาปลนเปลอตนอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าจะได้สิ่งสมหวังได้สิ่งที่ถูกใจตลอดเวลาเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องแสวงหาอยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดนะเอาชีวิตก็เลยกลายเป็นไม่อิสระ ต้องพึ่งพาพึพ่งพิงสิ่งนั้นสิ่งนี้นะที่จะเป็นสิ่งที่ถูกใจให้คนเราเนี่ยถ้าเอาความถูกใจเป็นที่ตั้งเนี่ยมันหาความสุขได้ยากนะสิ่งที่ดีกว่าคืออะไรนะสิ่งที่ดีกว่าก็คือทำใจให้ถูกนะ อันนี้มันมันต่างจากการแสวงหาความถูกใจแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดแต่แสวงหาสิ่งถูกใจจนลืมที่จะทำใจให้ถูกถ้าคนเรารู้จักทำใจให้ถูกนะจะกลายเป็นคนที่สุขง่ายแล้วก็ทุกได้ยาก ชื่อจะเป็นอิสระมากเลยเพราะว่าไม่ว่าเจออะไรก็ไม่เอาความถูกใจเป็นที่ตั้งแต่รู้จักทำใจหรือปรับใจให้ถูกทำใจให้ถูกนี่หมายความว่ายังไงนะมันก็มีหลายแง่หลายมุมนะในด้านนึงคือว่า ทำใจใถูกทำนองครองทมถูกทำนองครองทำคือว่าไม่คิดร้ายคิดชั่วไม่คิดเบียดเบียนเอาเปรียบใครรวมทั้งไม่มีความโลภโมโทสันที่คิดอยากจะแย่งชิงของคนอื่นมาเป็นของตนเนี่ยหรือ การไม่ถูกโลภะโทสะครอบงำถ้าคนเราถ้าหาว่ารู้จักรักษาใจให้มันถูกทนองคลองทรรใไอการที่จะไปเบียดเบียนใครหรือความรุ่มร้อนนะที่อยากจะได้ของใครมาเป็นของตนหรือความโลภอยากได้ไม่รู้จักพอเนี่ย มันก็มีน้อยเท่านี้เนี่ยมันก็ทำให้ความทุกข์บรรเทาเบาบางไปเยอะนะแต่ว่าที่สำคัญก็นั้นคือว่าถูกต้องรนะู้จักทำใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงนะไม่ใช่แค่ถูกทำนองคลองทำซึ่งเป็นเรื่องของการมีจิตใจที่ดีงาม อันนั้นก็เป็นความถูกต้องแบบหนึ่งแต่ว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทำใจถูกต้องตามความเป็นจริงนี่ก็สำคัญนะสคัญไม่น้อยเลยก็คือการเห็นสิ่ ง, งต่างๆตามความเป็นจริงหรือผู้ยานก็คือว่าไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่มันสวนทางกับความเป็นจริง วความเป็นจริงคืออะไรนะความเป็นจริงก็คือทุกอย่างนี่มันมันไม่เที่ยงมันแปรเปลี่ยนเป็นนิดและสิ่งทั้งปวงนี่มันก็คนได้ยากหมายความว่ามันก็จะต้องเสื่อมสลายไปไม่ไม่คงทนหรือคงที่แล้วก็มันก็ไม่อยู่ในอำนาจของเรา จะควบคุมบังคับบัญชาได้อันนี้ก็คือความหมายหนึ่งของอนัตต า, าความเป็นจริงเนี่ยมันก็คือทุกอย่างมันไม่เที่ยงคือแปรนิจจนะ์คนได้ยากทุกขังไม่อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใครได้เนี่ยอนัตตางั้นถ้าเรารู้จักนะทำใจให้ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่า ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเที่ยงหรือว่าเป็นสุขล้วนๆไม่เสื่อมสลายหรือว่าไม่ยึดไม่เหมาไม่สำคัญหมายว่าเนี่ยมันจะอยู่ในอำนาจบัคับัญชาของใครได้ถ้ารู้จักนะวางใจแบบนี้เนี่ยหรือทำใจแบบนี้เนี่ย มันก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความทุกข์น้อยนะแม้เจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ไม่ได้คับแค้นเสียใจเพราะประการแรกเนี่ยก็ไม่ได้เอาความถูกใจเป็นที่ตั้งอยู่แล้วพอ ร, รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ จะอยู่ในบัคับบัญชาของเราได้หรือไม่ได้เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเราเป็นเพราะไม่เห็นเสียงต่างตามความเป็นจริงเนี่ยผู้คนก็จึงนะมีความยึดมั่นสำคัญหมายปรารถนาสิ่งที่ถูกใจเอาความถูกใจของตัวเองเป็นตัวตั้งเอาความคาดหวังความต้อง ก, การตัวเองเป็นตัวตั้งเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ตระหนักว่า ไอ้สิ่งทั้งปวงนี่มันมันไม่ได้อยู่ในอำนาจที่เราจะควบคุมได้หรือผู้อีกอย่างก็คือมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของเราถ้าเห็นสิ่ง ต, ตามความเป็นจริงหรือว่าทำใจถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่มีความคาดหวังว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะต้องถูกใจเรา อย่างเช่นเจออากาศร้อนเนี่ยนะเจออากาศร้อนมันก็ไม่ได้ทุกอะไรเพราะแม้ว่าจะชอบอากาศเย็นนะแต่ว่าก็รู้ว่าอากาศร้อนนี่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของเราได้หรือผู้ใหา่ก็คือว่า เมื่อเจอสิ่งต่างๆก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นการยอมรับสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงพอเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากของเราเมื่อมองแบบนี้เมื่อเข้าใจแบบนี้เมื่อเห็นแบบนี้เนี่ยก็ก็ไม่มีความ คิดความปรารถนาที่จะแสงหวาความถูกใจนันเจออะไรใจก็ไม่ทุกข์นะเพราะร่วมเป็นเช่นนั้นเองพอถึงเวลามันเสื่อมสลายไปมันแปลเปลี่ยนไปก็ไม่ได้เสียใจก็ไม่ได้ขับแค้นใจเพราะว่ารู้ตั้งแต่แรกว่ามันมันไม่เที่ยงแต่คนที่ แสวงคาแต่ความถูกใจเนี่ยนะพอสิ่งถูกใจนั้นเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปเสื่อมสลายไปก็จะเศร้าโศกเสียใจตี อ, อกชกหัวครับแค้นใจเพราะเขาไม่ได้ตระหนักเลยนะว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือไม่ได้ตระหนักว่า สิ่งทั้งปวงนี่มันย่อมมีวันเสื่อมสลายไปคนเราถ้าเอาแต่ความถูกใจแต่ไม่คิดทำใจให้ถูกเนี่ยจึงมีความทุกข์ได้ง่ายนะแม้จะสมหวังก็สมหวังสมปรารถนาเพียงชั่วคราวนะพะสิ่งนั้นมันก็ย่อมแปลเปลี่ยนไปหรือถึงแม้มันไม่แปลเปลี่ยนไปแต่ใจตัวเองนั่นแหละที่เปลี่ยน เช่นไม่พอใจในสิ่งนั้นอยากได้มากหรือว่ารสนิยมแปลเปลี่ยนไปนรสชาติแบบนี้ที่เคยหวานไม่ชอบแล้วชอบที่มันเผ็ดเปรี้ยวอพอรสนิยมแปลเปลี่ยนไปสิ่งที่เคยถูกใจก็กลายเป็นไม่ถูกใจไปซะแล้วการทำใจให้ถูกเนี่ยยังมีความหมายหนึ่งนะก็คือทำใจให้ เป็นปกติหรือเที่ยงตรงไม่ขึ้นไม่ลงนะไม่ไม่ฟูไม่แฟกนะเป็นภาวะที่เที่ยงตรงหรือจะพูดอย่างคือเป็นกุศลก็ได้ น, นถ้าเราจับทาใจให้ถูกเนี่ยก็หมายความว่าเนี่ยเวลาจิตมันถูกอกุศลครอบงำ ความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีความขับแข้งก็ดีความเศร้าก็ดีนะก็รู้สักรู้จั ก, รจกปรับใจให้มันตรงซะก็คือถอนใจออกจากอารมณ์อกุศลนั้นดึงจิตออกมาหรือว่าสลัดมันออกไปจิตก็กลับมาเที่ยงตรงเหมือนเดิมคือเป็นปกติในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะเห็นสิ่ ง, งต่าง ถูกต้องตามควาเป็นจริงหรือทําใจให้ตรงตามควาเป็นจริงได้คือยังไม่เข้าใจชัดนะในอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้เลยคือว่ารู้จักทําใจให้เป็นปกตินะีอันนี้ก็เรียกว่าทําใจให้ถูกนะในความหมายหนึ่งนะเพั่นพอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอนะ เกิดความไม่พอใจเกิดความขุนเคืองขึ้นมาอันนี้จิตเสียความจิตเสียความปกติไปแล้วต้องรู้จักปรับใจให้มันถูกซะปรับใจให้เป็นปกติเมื่อปรับใจใเป็นปกติได้ใจก็ไม่ทุกเวลาเจอใครทำอะไรไม่ถูกใจแต่ว่าใจก็ยังเป็นปกติได้อันนี้สำคัญมากนะเพราะว่า คนเราก็ต้องต้องเจอการกระทำและคำพูดที่ไม่ถูกใจไม่มากก็น้อยเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอยู่เนืองเนืองแต่ว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรไม่ถูกไม่ถูกใจหรือไม่ถูกต้องนะแต่เราก็รู้จักทำใจของเราให้มันถูกต้องนะเมื่อเรารู้จักทำใจถูกต้องนะใจก็ไม่ถูกแต่ว่า คนจำนวนมากเนี่ยพอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจหรือพอใครทาอะไรที่ไม่ถูกต้องนะใจก็ของตัวเองก็พลอยไม่ถูกต้องตามไปด้วยคือเกิดความโกรธเกิดความขุนมัวเกิดความขับแคนเกิดความเกลียดขึ้นมาอันนี้เพราะว่าลืมดูใจ ไปไปมัวแต่จดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องข้างนอกหรือสิ่งที่ไม่ถูกใจที่อยู่รอบตัวคนเราถ้ารู้จักทำใจให้ถูกนะมันจะเป็นอิสระได้ง่ายนะเพราะว่าความปกติสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกและพอมีความปกติขึ้นมาสุขมันก็เกิดขึ้นเป็นสุขที่ เกิดจากความสงบในสิ่งที่ถูกใจเนี่ยนะมันก็ให้ความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็มันก็เป็นความสุขที่ทเรียกว่าเราจิตกระตุ้นใจให้เพลิดเพลินยินดีนะแต่ว่าไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่แล่ถ้าว่าเราไปคิดแจ จะเอาความถูกใจเป็นหลักนะมันก็ต้องดิ้นรนแสวงหาอยู่เลยไปแล้วก็กลายเป็นผู้ไฝ่เสพได้ง่ายมากไฝ่เสพก็คือว่าไปหาสิ่งเสพที่ถูกใจไปหาสิ่งต่างๆมาปนเปื้อนนะแต่ถ้าว่ารู้จักทำใจให้ถูกนะเออมันจะกลายเป็นผู้ใฝ่ทำนะทาในนี้คือพอทหารนะ แล้วในส่วนมก็จะเป็นใยทมที่เป็นอทองนี่คนอย่ น, นี้เนี่ยใยเสพมันมากเนีเพราะว่าแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกใจเศพนี่ไม่ใช่เสพอ า, อาหารที่อร่อยหรือว่าเพลงที่เพราะแต่รวมถึงเสพข้อมูลข่าวสารที่มันถูกใจพอเจออะไรที่ไม่ถูกใจแน้เป็นข้อมูลข่าวสาร เป็นคำพูดของใครบางคนเป็นการก ร, รนะทำของคนที่เป็นข่าวก็โกรธโมโหนะแต่ถ้าจนลืมไปว่าเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะตัวเองเนี่ยวางใจไม่ถูกต่างหากถ้าวางใจถูกนะออไม่ว่าเจออะไรใจก็ไม่ทุกข์เพราะเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง เรื่องการทำใจให้ถูเนี่ยนะแม้มันจะในเรื่องการปรับใจของตัวเองหรือการฝึกใจให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงซึ่งช่วยทําให้ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นเองยอมรับว่ามันเป็นตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราแต่ว่า มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรเสรียเลยนะในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆภายนอกผู้ที่แสวงหาความถูกใจเนี่ยในด้านหนึ่งนะก็จะไปพยายามจัดการกับสิ่งภายนอกให้มันถูกใจตัวเองจัดการกับผู้คนให้มีการกระทำและคำพูดที่ถูกใจตัวเองเช่น ไปจัดการกับลูกน้องหรือว่าไปจัดการกับสิ่งต่างๆบางทีก็ไปจัดการกับดินฟ้าอากาศอากาศร้อนมันก็ไปจัดการให้มันเย็นซะเช่นติดอเปิดพัดลมแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่อสนองความต้องการงตัวเองแต่การทำใจให้ถูกเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่ไปจัดการกับสิ่งภายนอกเลยนะ ถ้าจำเป็นก็ต้องไปจัดการแต่จัดการให้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่จัดการให้มันถูกใจตัวเองมันแตกต่างกันนะจัดการสิ่งภายนอกให้ถูกตต้องตามเหตุตามปัจจัยเพื่ออะไรนะเพื่อความถูกต้องความดีงามของส่วนรวมหรือว่าถูกต้องตามธรรม อันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาแต่ทำใจให้ถูกนะทำจิตก็สำคัญนะแต่ว่าการทำกิจนะจัดการสิ่งภายนอกให้มันถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยอ่าเช่นเจ็บป่วยนะอ่าก็ไม่ใช่แค่ว่าเออทาใจยอมรับว่าร่างกายเป็นเช่นนี้เองมันย่อมมีวันเจ็บมันป่วยเพราะร่างกายมันเป็นตัว สังขารกองทุกข์อันนั้นก็ดีอยู่แต่ต้องนะเยียวยารักษาร่างกายดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะบ้านหลังคารั่วน ะ, ะก็ใจไม่ทุกข์ยอมรับได้พอเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถึงเวลามันก็ต้องเสื่อมไป แต่ก็ไม่้มายความไม่จัดการซ่อมแซมมันแต่ก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยตามควรกับกรณีทำแล้วนี่มันไม่เป็นไปมันไม่สําเร็จก็ไม่ทุกนะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแต่ว่ามันโลกก็ยังไม่หายใจก็ไม่ทุกซ่อมบ้านซ่อมหลังคาแล้วออมันไม่สาเร็จ ก็ไม่ทุกข์เพราะว่าความสําเร็จมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราทำงานก็ทำให้มันดีแต่ว่าถ้าไม่สําเร็จนะก็ไม่ได้เอาแต่ตีอกชกหัวหรือข้ามครวนแต่บางคนนี่ความไม่สําเร็จหรือความล้มเหลวนี่คือสิ่งที่เวลวร้ายสิ่งที่ไม่ถูกใจนะแต่สาหรับคนที่เข้าใจวางใจถูกต้องตามความเป็นจริงนะ มันไม่สำเร็จมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องเสียใจเพราะว่ามันไม่อยู่ในอำนาจในวิสัยของเราอย่างที่มีภาษาจีนว่าเนี่ยความพยายามเป็นของมนุษย์นะความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าฟ้าในที่นี้ท่านก็หมายถึงถ้าพูดแบบเพื่อคือเหตุปัจจัยนั่นเองสิ่งที่เราทาได้คือทำความเพียรประกอบเหตุให้ดีส่วนความสำเร็จนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยเมื่อไม่สาเร็จนะ ใจก็ไม่ทุกข์เพราะเข้าใจว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้คือการวางใจหรือการทําใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงซึ่งก็ไปช่วยเสริมให้การทํากิจทมการงานต่างๆเนี่ยมันเป็นไปด้วยดีทำาดยใจที่ไม่ทุกข์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอ่อนึกถึงการหาความถูกใจเนี่ยลองกลับมามองว่าจะดีกว่านะถ้าว่าเรา เพียรทำใจให้ถูกซะอันนี้เนี่ยมันเป็นนะวิธีของนักปฏิบัตินะที่วิธีของนักปฏิบัติธรรมนะที่พึงใส่ใจคำดิพุทันนีนะ้าพพระ